มาศึกษามาเรียนรู้พระธรรมคำส่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้นำมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ชีวิตด้วยกันวันนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าการเป็นชาวพุทธที่แท้จริงนั้นเราจะต้องทำอย่างไรบ้างเพราะการเป็นชาวพุทธที่แท้จริงกับ เป็นชาวพุทธที่ไม่แท้จริงนี้จะมีผลแตกต่างกันคือมีการมีสิทธิ์ที่จะรับมรดกของพระพุทธเจ้าได้หรือไม่ mm hmm. ถ้าอยากจะรับมรดกของพระพุทธเจ้า mm hmm. คือมรรคผลนิพพานวิมุติหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง mm hmm. จำเป็นต้องเป็น ชาวพุทธที่แท้จริงถ้าเป็นชาวพุทธที่ไม่แท้จริง mm hmm. ก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะรับบรดกอันเอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าได้ดังนั้นหากพวกเราต้องการที่จะรับบรดกพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลก <c oughs> แล้วท่านก็มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง มากมายกองเท่าภูเขาที่จะแบ่งให้กับพุทธศาสนชนที่แท้จริงซึ่งพระ อ, องค์ทรงถือว่าเป็นลูกๆของพระพุทธเจ้าถ้าเราอยากจะเป็นลูกของพระพุทธเจ้าอยากจะรับมรดกของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้ท่งสะสมเอาไว้คือมรรคผลนิพพาน มรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งมรรคสี่ผลสี่ก็คือโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลสกิดาคามิมรรคสกิดาคามิผลอาณาคามิมรรคอาณาคามิผลอรหัตตมรรคอรหัตผลและนิพพานวิมุตติ หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงอันนี้เป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวไม่มีใครสามารถที่จะสะสมสมบัติเหล่านี้ขึ้นมาได้ด้วยตนเองเลยต้องอาศัยรอรับส่วนแบ่งจากพระพุทธเจ้าทั้งนั้น<ม>เช่นพระ อ, อริยสงสาวกสีระดับสกิณ โสดาบันสกิดาคามีอนาคามีและอรหันต์ก็ต้องมีพระพุทธเจ้าสะสมมรรคผลนิพพานนี้ขึ้นมาก่อนสร้างขึ้นมาก่อนเมื่อสร้างแล้วก็มาสมัครเป็นสาวกมาสมัครเป็นลูกของพระพุทธเจ้าด้วยการเกรรมหน้าที่ของชาวพุทธที่แท้จริงถ้าเราอยากจะได้เป็นลูกของพระพุทธเจ้า มีสิทธิ์ที่จะรับมรดกจากพระพุทธเจ้าได้เช่นเดียวกับบรรดาพระอาริยรสงสารุกทั้งหลายเราก็ต้องมีคุณสมบัติเพราะพระพุทธเจ้าจะไม่แจกสมบัติอันล่าข้าให้แก่ลูกที่เกเ ร, รแต่มอบสมบัติให้แก่ลูกที่มีความรับผิดชอบไม่ให้ลูกที่เกเ ร, รลูกที่เอามาเผาผลาญสมบัติ ให้ไปก็จะเอาไปผานหมดแต่จะให้กับลูกที่มีความรอบครอบมีความเรียบร้อยมีความพร้อมที่จะรักษาสมบัติอันประเสริฐเพื่อจะได้มอบต่อให้กับลูกหลานของ ของพวกเราชาวพุทธอีกทอดหนึ่งดังนั้นถ้าเราอยากที่จะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงเราก็ต้องทาหน้าที่ที่พระเจ้าได้ท่งมอบไว้ให้กับพวกเราอย่างครบสมบูรณ์แต่ต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนไปถึงจะสามารถทำหน้าที่สี่หน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ หน้าที่ที่จะทำให้เราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงที่จะทำให้เรามีสิทธิ์ที่จะรับมรดกอันเลิศอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าคือมรรคผลนิพพานมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งเราต้องทำตามหน้าที่เป็นขั้นเป็นตอนเหมือนกับการเรียนหนังสือถ้าเราอยากจะรับปริญญา ตีโทเอกอเราก็ต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนเราจะเลือกทำขั้นนู้นขั้นนี้กระโดดไปขโนดมานี้เป็นไปไม่ได้ทำไม่ได้ต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนออขั้นแรกของการศึกษาเพื่อระดับปริญญาก็คือต้องเริ่มตั้งแต่อนุบาลเข้าโรงเรียนอนุบาลแล้วก็ต่อด้วยโรงเรียนชั้นประถม จากชั้นประถมเราก็ไปเรียนชั้นมัธยมหลังจากมัธยมแล้วเราก็ไปสอบเอน r ร n c e ์เข้ามาหาหลัยต่างๆแล้วเราก็เริ่มเรียนระดับปริญญาตรีโทเอกตามลำดับไปถ้าเราไปทำข้ามขั้นตอนนี้เราก็จะไม่ได้รับผลที่เราควรจะได้รับ <c oughs> ดังนั้นขอให้เราใจเย็นๆการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มีขั้นมีตอนถ้าทำตามขั้นตามตอนแล้วก็จะไม่ผิดพลาดจะทำให้ก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปอย่างแน่นอนดังนั้นเรามาศึกษาขั้นตอนของการทำตัวเราให้เป็นชาวพุทธแท้จริงว่า ต้องทำอะไรบ้างขั้นที่หนึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าให้ศึกษาพราะําคมคำสอนคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อน mm hmm. เช่นวันนี้เรามาศึกษากันแนละ้ว mm hmm. เรากำลังทาทำ mm hmm. ทำขั้นที่หนึ่งของการเป็นชาวพุทธที่แท้จริง mm hmm. เราต้องเรียนรู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรซึ่งความจริงแล้ว คำสอนของพระเจ้านี้มีมากมายก็ตามถึงแม้จะมีมากมายก็ตามที่มีบรรจุไว้ในพระไตรปิฎกก็มีทั้งแปดหมื่นสี่พันธรรมบทด้วยกันแต่หัวข้อเนื้อหาสาระของธรรมทั้งหมดนี้รวมกันลงได้อยู่สามหัวข้อใหญ่ๆเท่านั้นเองดนั้นเราไม่ต้องไปศึกษาพระไตรปิฎกทั้งเน่มทั้งแปดหมื่นสี่พันธรรมบท ไม่จำเป็นต้องไปศึกษาพระอภิธรรมพระอะไรต่างๆขอให้ศึกษาสามข้อใหญ่ๆที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นำมาสั่งสอนกับพวกเราไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามถ้าได้มาตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วมาสั่งสอนชาวสันโลกแล้ว ก็จะสั่งสอนคำสอนสามหัวข้อใหญ่ๆนี้ด้วยกันเพราะฉะนั้นให้เราเรียนรู้สามหัวข้อใหญ่ๆนี้ก่อนเป็นชาวพุทธที่แท้จริงถ้าไม่รู้สามหัวข้อนี้ก็สแสดงว่าสอบตกยังสอบไม่ผ่านขั้นอนุบาลยังยังไปไม่ได้จะไปขั้นที่สูงกว่านี้ไปได้อย่างไรขั้นอนุบาหลหรือขั้นปฐมนี้ขั้นที่หนึ่งนี้คืออะไร ก็คือให้เรียนศึกษาว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เรา ป, ปฏิบัติอะไร mm. ก็มีอยู่สามข้อด้วยกัน mm. ข้อที่หนึ่งก็ให้คือให้เราละการกระทำบาปทั้งตัว mm. สองให้เราสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม mm. สามให้ชำระจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ mm. mm. ์ น, นี่คือสามหัวข้อใหญ่ๆ ละบาปทาบุญซักพอกจิตใจให้บริสุทธิ์จิตใจเราเหมือนเสื้อผ้าเราใส่เสื้อผ้าไปใส่ใบวันวันหนึ่งเราก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันเริ่มมีคราบสกรปรกต่างๆก็ติดอยู่กับเสื้อผ้าและถ้าไม่เอาไปซักปล่อยให้มันสะสมคราบสกรปรกขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะส่งกลิ่นเหมน มันก็จะทำให้ไม่มีความรู้สึกสบายกับการใส่เสื้อผ้าเราก็เลยต้องเปลี่ยนเสื้อผ้ากันอยู่เรื่อยๆเสื้อผ้าที่สกปรกเราก็เอาไปซักพอกเอาไปซักเอาไปล้างจนสะอาดพอสะอาดแล้วเราก็เอากลับมาใส่ใหม่ได้จิตใจของพวกเราก็เหมือนกันจิตใจของเราก็มีสิ่งสกปรก คอยเข้ามาติดอยู่ในจิตใจของพวกเราอยู่เรื่อยๆภาพสกปรกก็คือกิเลสตัณหาที่เป็นเครื่องเศร้าหมองที่ทำให้ใจของเรานี้ไม่สดชื่นเบิกบานที่ทำให้ใจเราทุกข์กันวุ่นวายกันนี้ก็คือกิเลสตัณหาโมหะาอาวิชานี่เอง ที่เราจาเป็นที่จะต้องทำการซรักพ้ออยู่เรื่อยๆเพื่อที่จิตใจของเราจะได้สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาตามลาดับสามข้อใหญ่ๆเบื้องต้นเราศึกษาสามข้อใหญ่ๆก่อนให้รู้ว่าต้องทำอะไรบ้างถ้าเกิดใครถามว่าพระุทธเจ้าสอนอะไรตอบไปได้เลยว่าสอนให้ละการกระทำบาปทั้งปวง สอนให้สร้างบุญสร้างกุศลทำความดีต่างๆให้ถึงพร้อมสามให้ชาระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เมื่อเราเรียนแล้วเรารู้แล้วว่าเราต้องทาอะไรเราก็จะต้องขั้นที่สองของการทำให้เราเป็นชาวพูทที่สมบูรณ์ที่แท้จริงก็คือเราต้องไปปฏิบัติทำตามคำสั่งคำสอน เขาเจ้าสอนให้ละบาปก็ต้องไปละบาปสอนให้ไปสร้างบุญสร้างกุศลก็ต้องไปสร้างบุญสร้างกุศลสอนให้ไปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เราก็ต้องไปทําชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราทําอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่องอย่างอย่างอย่างดีอย่างถูกทําให้ดีที่สุด ทำให้ถูกที่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเราก็จะได้ขั้นที่สามตามมาโดยอัตโนมัติขั้นที่สามก็คือการบรรลุธรรมขั้นต่างๆการบรรลุขั้นมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆมรรคผลขั้นที่หนึ่งก็โสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผล ท่านที่สองก็สกฤฤิดาคามีมักสกิยาสกิดาคามีผลท่านที่สามก็คืออนาคามีมักอนาคามีผลท่านที่สี่ก็คืออารหัตตะมักอรหัตตผลมักก็คือการดำเนินการส่วนผลก็คือผ ล, ผลทผลผผลผลี่ได้จากการดำเนินการการดำเนินการก็คือการปฏิบัติเนี่ย มรรคผลนิพพานแต่ละขั้นนี้เกิดจากการที่เราได้มีการปฏิบัติทำสามข้อที่พุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ปฏิบัติมรรผลนิพพานมักจะเกิดมักก็คือการปฏิบัติผลก็คือการบรรลุธรรมขั้นต่างๆจากที่ได้จากการปฏิบัติอย่าไปเอาผลที่เกิดจากการอ่านการศึกษาอันนี้ยังไม่ใช่เป็นผลแท้จริง เป็นเป็นเรื่องที่เราไปจินตนาการกันคิดขึ้นมาเองว่าต อ, ตอนนี้เป็นนูน่นเป็นนี่แล้วโดยที่ยังไม่ได้ปฏิบัติเลยเป็นไปไม่ได้เพียงแต่ความเข้าใจในหลักธรรมคาสอนเพียงอย่างเดียวนี้ยังไม่ได้ทําให้บรรลุได้เช่นรู้ว่าบาปเป็นอย่างไรรู้ว่าบุญเป็นอย่างไรรู้ ว, วิธีการภาวนาเป็นอย่างไร แล้วก็มาคิดว่าเรารู้แล้วเราเห็นแล้วเราเข้าใจแล้วเราได้บรรลุแล้วอันนี้บรรลุแต่การศึกษาแต่ไม่ได้เป็นการบรรลุ <c oughs> อย่างแท้จริงอันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังในสมัยพุทธกาลนี้ก็มีพระรูปหนึ่งเป็นพระเทเะบวตมาหลายสิบปี <c oughs> ศึกษาพราะธรรมคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้า อย่างตลอดรู้หมดทุกคําสอนของพระเจ้าพระเจ้าสอนอะไรรู้หมดเข้าใจหมดแต่เวลาเจอพระพุทธเจ้าทีไรพระพเจ้าบอกเธอนี้ยใบลานเปล่าเป็นใบาลานเปล่ามีแต่ความรู้ที่เรียนจากใบาลานแต่ไม่มีผลที่เกิดขึ้นในใจของเธอก็คือกิเลสในใจของเธอไม่ได้หดหายไปไหนเลยแม้แต่ตัวเดียว ต่อให้เรียนจบพระไตรปิฎกก็ตามเรียนพระคำพีต่างๆอภิธรรมคมภีรู้หมดจิตตเสกเป็นอย่างไรอะไรเป็นอะไระเรียนรู้หมดแต่ความรู้เหล่านี้มันไม่ได้ไปกาจัดกิเลสตัณหาโมหะวิชาในใจของเธอเลยเธอก็อยู่ไปเปล่าๆเดี๋ยวก็ตายไปเปล่าๆไม่ได้อะไรจากการมาบวชมาเรียน ทุกครั้งที่เจอก็พูดอย่างนี้ว่าไบลานเปล่าไบาลานเปล่ายังมีชื่อว่าโพธิลัสโพธิลัสไบาลานเปล่าพอเจอบ่อยๆได้ยินบ่อยๆก็เอกใจขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้าคงจะเตือนเราแลาต้อคงจะสอนอะไรเราสักอย่างาการเรียนของเราอย่างเดียวมันไม่พอนะเราต้องไปปฏิบัติงั้นเลยตัดสินใจไปหาพระาอารหันเพื่อมาเพื่อไปอยู่กับพระอารหรัน์ เพราะตอนนั้นพระพุทธเจ้าคงจะไม่สะดวกที่จะสั่งสอนแบบใกล้ชิดเพราะพระพุทธเจ้าต้องไปจาริกเดินทางไปแสดงธรรมอยู่ที่ต่างๆก็เลยมุ่งไปที่สำนักที่มีแต่พระอารหันต์อยู่สำนักหนงในสำนัก น, นั้นก็มีพระอารหันต์ทั้งพระทั้งเนรเป็นพระอารหันต์กันหมดเลยแล้วพอไปถึงก็ไปกราบเจ้าอาวาส ห, หัวหน้าพระ พระอรหันตัวหน้าบอกท่านผมทราบว่าท่านนี้เป็นพระอรหันต์แล้วผมอยากจะเป็นอยากจะขอเรียนจากท่านได้ไหมพระอรหันตัวหน้าท่านก็บอกว่าข้าพเจ้ามีพรรษาน้อยกว่าท่านท่านบวชมานานกับผมอากใหผมเป็นพระผู้น้อยไปสอนพระผู้ใหญ่นี้ผมคงจะทำไม่ได้<ม>ก็ปฏิเสธไปก็เลยไปหาพระลอง พระรองพภาษาง้อยเหมือนกันก็น้อยกว่าก็พูดทํานองเดียวกันว่าผมสอนไม่ได้หรอกพระผู้ใหญ่ผมเป็นพระผู้น้อยอก็เลยไปขอไล่ไปเรื่อยๆนะพระอังหันมีกี่ลูกในวัดก็ไปกราบไปขอตากตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหาไปกี่รูปก็ตอบเหมือนกันเจอเหนือสามเณรมีสามเณรอยู่ลูกหนึ่ง สามเณรนี้ก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันบรรลุเป็นพะนระแล้ hmm. สมัยก่อนนี้ไม่ไไมจำเป็นว่าจะต้องเป็นพระเทระถึงจะเป็นพระอรหันต์ได้สามเณรก็เป็นได้สามเณรีก็เป็นได้ภ mm hmm. ิกษุณีก็เป็นได้ขอให้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบเท่านั้น mm hmm. เอาไปไปหาสามเณรมีศรัทธาเชื่อสามเณรนี้ จะเป็นคนสอนให้เขาได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็ไปกราบขออนุญาตจากสามเณรสามเณรตอนต้นก็ทำท่าว่าจะปฏิเสธพอดีเจ้าวานเขาเห็นท่านก็บอกเจ้าวานท่านก็เลยบอกสามเณรไม่สงเคราะห์ท่านมากหรอสามเณรก็เลยรับท่านมาเป็นลูกศิษย์แต่การที่จะเป็นลูกศิษย์ท่านก็ต้องรับใช้สามเณรก่อน สามัญใดก็เลยสั่งให้ใช้ทํางานต่างๆให้ล้างบาตให้ซักที่วอนให้ให้เทกระถนให้ให้กวาดกุฏิให้ทําความสะอาดรับใช้อะไรต่างๆบางทีก็สั่งให้ลงไปในน้ำลุยลงไปในน้ําให้ไปเก็บของในน้ําให้หน่อยพ อ, อลงไปครึ่งทางตัวเปียกสามันให้บอกไม่เอาแล้วเปลี่ยนใจไม่ต้องก็ได้นี่แหละคือ โดยการทดสอบดูว่ายอมเป็นลูกศิษย์จริงหรือไม่ลูกศิษย์แต่ปากขอเป็นลูกศิษย์พอถูกสอนถูกสั่งให้ทํานูน่นทํานี่หน่อยก็ไม่ทำอย่างี <im> ้ก็ต้องพิสูจน์ดูก่อนว่าจะเป็นลูกศิษย์จริงหรือไม่ <im> จนในที่สุดก็เห็นว่าท่านเป็นผู้ที่มีความตั้งใจที่จะเป็นลูกศิษย์จริงๆรับใช้ให้สั่งให้ใช้ทําอะไรก็ทําตามอย่างไม่ มีการบ่นไม่มีการอะไรไม่มีความโกรธหรืออะไรทั้งสิ้นถือว่าเป็นอาจารย์ถือว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์สั่งให้ทำอะไรก็ต้องเชื่อฟังเพราะคำสั่งคำสอนของอาจารย์นี้มีคุณค่ามีคุณประโยชน์ <stops> จนในที่สุดสามนเณรก็เห็นว่าเป็นลูกศิษย์แน่นอนเชื่อฟังแน่นอนก็เลยสอนว <profit> ิธีที่จะบรรลุมรรคผลนิพพาน แำ้วนนาก็พูดว่ามีมีเขาเรียกอะไรมีภูเขาดินจอมปลวกอ่ามีจอมปลวกแล้นายจอมปลวกนั้นมีทางเข้าออกอยู่ห้าทางด้วยกันนห้าทางแล้วก็มีตัวอะไรตัวสัตว์เลื้อยคานอยู่ในนั้นอยู่ตัวหนึ่งถ้าอยากจะจับ ตัวนี้สัตวตัวนี้ก็ต้องปิดมันมีทางเข้าออกหกทางด้วยกันไม่ใช่ห้าทางต้องปิดประตูทางเข้าออกห้าทางเหลืออยู่ทางเดียวแล้วก็ไปจ่อเข้าอยู่ตรงปากทางนั้นเดี๋ยวมันต้องออกมาทางนั้นเพราะทางอื่นมันถูกปิดหมดมีอยู่ห้ากทางด้วยกันนะที่จะออกจากจอมปลวกนั้นได้ถ้าอยากจะจับตัวสัตว์ที่เลื้อยคานนี้ ออเวลามันออกเข้าออกมันก็ต้องออกตรงนี้เพราะว่าเราไปปิดประตูอื่นทั้งหมดแล้วมีทางเข้าออกหกทางไปปิดแค่ห้าทางก็เหลือทางเดียวแล้วให้ไปเฝ้าอยู่ที่ทางนั้นนะ่ะ<ม>เดี๋ยวมันก็ต้องออกทางนั้นทางเดียวมันไปทางอื่นไม่ได้<ม>จิตใจก็เหมือนกันจิตใจของเรานี่ก็มีกิลเลสจิตใจของเราก็เป็นเหมือนจอมเปรก ม, มีกิลเลสตัณหาเนี่ยมัน อาศัยหลบซ่อนอยู่ในใจของเราและมันชอบเข้าออกทางเข้าออกก็มีหกทางออกทางตาหูจมูกลิ้นกายและออกทางความคิดปุงแต่งทางใจหกทางทรมันเน้นก็บอกไปปิดห้าทางเถอะคือไปสำรวมอินทรีย์ปิดตาหูจมูกลิ้นกายถึงศีลแปดเนี่ยเราสำรวมอินทรีย์ไปปิดตาหูจมูกลิ้นกาย อย่าให้มันออกไปทางตาหูจมกูกลิ้นกายจับมันไปขังไว้ในวิบไปปีกวิเวกให้ไปอยู่คนเดียวอย่าออาไปม่วสซุมกับคนนั้นคนนี้อันนี้เป็นการส่งช่องทางให้ตัวกิเลสมันออกมาออกมาทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายถ้ามันมีหลายช่องนี่จะไปตามจับมันก็จับมันไม่ทันเพราะไม่รู้ว่ามันจะออกมาช่องไหน ไปเจ้าไปไปเฝ้าทางทางตาเดี๋ยวมันก็ออกมาทางหูเดี๋ยวมันก็ออกไปทางจมูกออกมาทางลิ้นมาออกทางกายก <parade. S 1> <meye. S 2> ็เลยต้องสํารวมปิห้าทางด้วยกันสํารวมอินทรีย์อินทรีย์สังว ร, รก็คือการไปอยู่ที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตพะชนิดต่างๆเ <ย Official. S 2> ช่นไปอยู่ตามป่าตามเขาอยู่ตามลำพังไม่ไปคลุกทีไม่ไปสังคมกับใครทั้งสิ้น อยู่ตามลำพังของตนคนเดียวแล้วก็คอยใช้สติคอยเข้าจับไอ้ตัวที่มันจะออกมาช่องช่องทางที่เหลือก็คือช่องทางของความคิดมันก็จะออกมาได้ทางเดียวทางความคิดนี้เท่านั้นถ้ามีสติก็คอยคอยหยุดมันคอยหยุดความคิดพอยหยุดความคิดมันก็ออกมาไม่ได้มันออกมาไม่ได้แล้วเดี๋ยวก็ สามารถเข้าไปจับมันได้เพราะว่าพอเราหยุดความคิดได้แล้วมันก็จะออกมาไม่ได้แล้วต่อไปเวลามันออกมาเราก็จะสามารถจับมันได้ทันทีเพราะเรามีสติมีปัญญานี่แหละคือวิธีชำระกำจัดกิเลสตัญหาต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจกำจัดความโลภความโกรธความหลง หลังจากที่สัมมาเนนได้สอนพระเทระไม่ไม่นานพระเทระก็บรรลุเป็นท่าหลานขึ้นมา mm hmm. น, นี่เป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่เป็นเรื่องแต่งขึ้นมาไปมีไปอยู่ในพระไตรปิฎกนะเรื่องนี้ครูบาอาจารย์ทางสายปฏิบัตินอกจะเล่าให้นุสิ์ฟังกันแล้วถ้าใครไปศึกษาไปปฏิบัติกับครูบาอาจารย์นอกจะได้ได้ยินได้ฟังเรื่องเรื่องโพธิราชไบลานเปล่า ลองไปค้นหาดูในในก o เกิลก็ได้เนี่ยมีมือถือ oh, ลองลองใส่คําว่าโพธิลต์โพธิลต์ใบลานเปล่าดู <im Carr ot> ก็จะได้ยินอาจจะได้อ่านรายละเอียดที่ชัดเจนกว่านี้เราก็เพียงแต่เล่าแบบข้าวๆให้ฟัง่าั้นแต่ประเด็นสําคัญก็คือเนี่ยการศึกษาเพียงอย่างเดียวไม่พอต่อการที่จะข่ากิเลสได้ <c oughs> ศึกษาแล้วก็ต้องเอาไปปฏิบัติปฏิบัติตการทาการละบาปก็คือการปิดช่องทางของการออกของกิลเลสตัณหานั่นเอง<ม>แล้วถ้าอยากจะทำอะไรก็ให้ทำแต่ความดีมทำบุญทำกุศลต่างๆ<ม>แต่อย่าไปทำบาป<ม><ม>แล้วก็ไปปริกวิเวก<ม><ม>ไปอยู่คนเดียวไปหาที่สงบ ไปบำเพ็ญจิตตะภาวนาถ้าทำอย่างนี้ได้ก็มรรคผลนิพานก็อยู่แค่เอื้อเมืออุธเจ้าทรงเสาะทรงแสดงไว้ในสติปัฏฐานสูตรสติปัฏฐานสูตรก็สอนวิธีไปเปกวิเวกไปภาวนาไปอยู่คนเดียวไปจับกิเลสที่มันหลบซ่อนอยู่ในกายวาจาใจในกายในเวทนาในจิตาา น, ารร น, deadline, นี่ อันนี้ตอนท้ายของพระสูตรท่านก็ตอบว่าถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามที่สอนนี่ได้ถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีก็จะต้องบรรลุธรรมถ้าไม่ขั้นสูงสุดก็ขั้นรองขั้นสูงสุดอย่างแน่นอนอันนี้เป็นการรับประกันจากพระพุทธเจ้าเองนี่แหละคือความสําคัญของการปฏิบัติ ศึกษาเพียงอย่างเดียวนี้ยังบรรลุไม่ได้ซึ่งในยุคนี้ในสมัยนี้เรามักจะเห็นครูบาอาจารย์คบหรือผู้ที่มาศึกษาพระคำภีแล้วก็มาตั้งตนเองเป็นครูเป็นอาจารย์สอนคน น, น, นนั้นสอนคนนี้ทั้งๆที่ตนเองยังไม่ได้ไปปฏิบัติเลยศีลก็ยังไม่เรียบร้อยไม่สมบูรณ์สมาธิความสงบก็ยังไม่มี ปัญญาก็เป็นปัญญาที่ได้จากความจดความจำไม่ได้เป็นปัญญาที่ได้นำเมาไปชาใช้กาจัดกิเลสแล้วเ อ, อกมาสอนก็ไม่สามารถสอนให้ใครบรรลุมรรคผลนิพพานกันได้เพราะตนเองก็ยังบรรลุมรรคผลนิพพานเองไม่ได้<ม>ก็เลยสอนแบบนี้ก็เสียเวลาเปล่าๆทั้งคนสอนทั้งคนไปศึกษาไปคนไปริ่มเรียน ตัวเอาเวลามาทําตามขั้นตอนกันก่อนดีกว่าศึกษาแล้วไปทําได้หรือเปล่าละการกระทาบาปได้ัหมบาปคืออะไรบาปคือการกระทําที่สร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้เช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์ของผู้การประพฤติผิดประเทณีไปเป็นชู้เป็นอะไรกับสามีภรรยาของคนอื่น หรือไปร่วมหลับนอนกับคนที่ไม่ได้เป็นสามีภรรยาของเราอันนี้ถือว่าเป็นการประพฤติผิดประเพณีแล้วก็การไป <c oughs> โก ห, กหกหลอกลวงพูดปดแล้วก็ข้อที่ห้าซึ่งข้อที่ห้านี้ความจริงไม่ยังไม่ได้เป็นบาปแต่ก็เป็นตัวที่จะไปชักนำให้ทําบาปคือการเสพอบายมุขเช่นสุรายาเมา การดืม่มสุลายาเมานี้จะทำให้เกิดอาการมึนเมาขาดสติไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนได้เวลามีอารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นมาก็จะระบายออกมาทางกายทางวาจาคนดื่มสุราแล้วเมานี้มักจะเป็นคนที่ไม่สุภาพเรียบร้อยเป็นคน หยาบคายพูดจาก็พูดแต่คำหยาบคายทำอะไรก็ทำให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนแก่ผู้อื่นคนคนเดียวกันนี่แหละเปลี่ยนกาจากคนดีกลายเป็นคนไม่ดีไนดะ้สังเกตดูคนที่เรารู้จักเวลาเขาไม่ดื่มจุานี่เขาจะเรียบร้อยพูดจาก็เรียบร้อยทำอะไรก็เรียบร้อยไม่ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับใครแต่เวลาเมาขึ้นมานี่กลายไปอีกคนหนึ่งเลย วาจาก็อยาบคายลวนลา ม, มการกระทําอะไรก็ทําให้เกิดความเสียหายให้เดือดร้อนแก่ผู้เพราะไม่มีสติที่จะคอยห้ามความคิดหรืออารมณ์ที่จะคิดจะทําในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามได้นั่นเนองพระเจ้าอะไรต้องสอนให้ไม่ให้ห้ามไม่ให้เสพอบา ย, ยมุกด้วยเพราะว่าถ้าอบา ย, ยมุกแปลว่าทางเข้าออกของอบาย อบายก็คือที่ที่จะไปสำหรับคนที่ทำบาปน่อบายก็คือภพภูมิที่ต่ำกว่าภพภูมิของมนุษย์มีอยู่สี่ที่ด้วยกันคือหนึ่งเดลาชานสองเปรตสามมรรกายสี่นรกนดวงวิญญาณของผู้ที่ตายไปแล้วนี้ถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญเนี่ยบาปก็จะเป็นตัวหนึ่ง ใจนี้ให้ไปสู่อบายเพราะว่าเกิดจากการไปเสพอบายอย่างมุกก่อนไปอยู่ใกล้ทางเข้าออกของอบายก่อนพอดื่มสุรายาเมาแล้วก็เมาขึ้นมาเมาแล้วก็ไปทําอะไรที่สร้างความเสียหายเช่นเทศกาลปีใหม่นี้ไม่ทราบว่าเมาแล้วขับกันกี่คนเกิดอุบัติเหตุทําให้คนตายไปกี่คน มันก็เกิดจากการดื่มชุรายามลอบายามุกดื่มแล้วก็ขับขับแล้วก็ไปชนกันชนคนคนอื่นตายบางทีตัวเองก็ตายตามไปด้วยนี่เป็นเป็นสิ่งที่ต้องไม่ทำกันถ้าเป็นชาวพุทธที่แท้จริงไม่ทำบาปแล้วก็ไม่เสพอบายามุกเพราะอบายามุกมันเป็นตัวที่จะลากให้เราเข้าไปอยู่ใกล้ทางเข้าออกของอบาย คือใกล้ทาให้เราไปทำบาปได้ง่ายขึ้นถ้าไม่เดือดธุลาก็ยากที่เราจะไปทาบาปแต่พะมีสติเวลาคิดจะทำอะไรไม่ดีเราก็ห้ามใจได้ <c oughs> แต่เวลาไม่มีสติแล้วปรากฏอาการประมาทโอ๊ย <c oughs> oh, ฉันไม่เมาฉันขับได้ฉันทำเองได้ทุกอย่าง <c oughs> ทำแล้วก็เกิดผลที่เสียหายตามมาเวลาไปเจอเหตุชุกเฉิฐเหตุครับขันก็ไม่สามารถควบคุมยานยนต์ได้ ก็ไปเกิดอุบัติเหตุทำให้ผู้นู้ัตนเองต้องเสียชีวิตบางทีไม่เสียชีวิตก็พิกลพิการไปตลอดชีวิตก็มีบางคนขี่เมาแล้วก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์คึกขนองแล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุชีส่าฟาดพื้นตายเป็นคนอนาพฤกกรรมาพาดไปตลอดชีวิตอันนี้ก็เป็นผลที่เกิดจากการไปเสพอบมุกสุรายาเมา นอกจากสุลาแล้วการเล่นการพนันก็เป็นเป็นสิ่งที่จะทําให้ไปทํำบาปได้เพราะเล่นการพนันไม่ช้าก็เร็วเงินก็จะต้องหมดถ้าเล่นแบบเล่นแบบไม่ไปทํางานทําการเล่นเป็นแบบเป็นอาชีพไม่ช้าก็เร็วเงินทองก็ต้องหมดหมดก็ต้องไปหาวิธีโดยที่ชอบโกงเขาไปหลอกลวงเขาหรือบางคนถ้าเป็นหนี้ต้องรีบต้องใช้หนี้ก็ต้องไปป้วนไปที่ร้านทองอัน เพื่อเอาเงินทองมาใช้นี่ง<ม>ันอย่าไปเสพอบายามุขการเที่ยวก็เหมือนกันการเที่ยวเรเที่ยวกลางคืนนี้เป็นนี้แต่เสียตังค์ไม่มีไรายได้<ม>เที่ยวไปเที่ยวมาเดี๋ยวงินก็หมดเงินก็หม ด, ง, หมดงานก็ไม่มีทาหรือไม่ทำงาน<ม>ก็ต้องไปหาเงินโดยวิธีที่การทำบาปนี<ม>่อ<ม>ันนี้คื อ, อบายามุขสามข้อ ข้อที่สี่ก็คือความเกียจค้านคนที่เกียจก็ไม่มีความเจริญได้ไม่ไม่มีรายได้เพราะไม่ไปทํางานแล้วข้อที่ห้าของอบายมุข ก, ก็คือการไปคบคนที่ชอบอบายมุขเป็นมิตรนั่นเองอย่าไปคบกับคนที่ชอบดื่มสุราอย่าไปคบกับคนที่ชอบเล่นการพนันอย่าไปคบกับคนที่ชอบเที่ยวหรือชอบความเกียจค้าน เพราะว่าเขาจะชวนเราไปทำตามสิ่งที่เขาชอบเวลาเขาจะดื่มชนเขาชอบดื่มชุราเขาก็จะชวนเราไปดื่มชุราชอบการพนันก็จะชวนเราไปเล่นการพนันชอบเที่ยวเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวชอบความเกลียดติค้าเขาก็ชวนเราให้เกียดตค้านไปด้วยถ้าเราถ้าเราไม่ทำตามเขาเราก็กลัวเก่งใจเขาเราก็ต้องทำตามเขา แต่ถ้าสมมติว่าเราจําเป็นจริงๆที่จะต้องคบกับเขาเพราะเราต้องทําธุรกิจติดต่อกันร่วมกันอ น, นี้เราก็ต้องแยกงานจากเรื่องส่วนตัวการทํางานเราก็ทําร่วมกันได้มีธุรกิจมีงานอาจจะทํางานที่เดียวกันอะไรอันนี้ก็ทําไปทําได้อย่างนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นการไปคบค้าสมาของเขาตราบใดที่เขาไปทําในเรื่องส่วนตัวเขาเราอย่าไปทํากับเขาก็แล้วกัน เขาไปเล่นการพ น, นันก็อย่าไปเล่นกับเขาอย่าไปกับเขาไปเที่ยวก็อย่าไปกับเขา mm hmm. แต่เวลาทํางานทําการธรรม า, ากินนี้เป็นสามาชีพก็คบค้าสมาคมกันได้แต่พอถึงเวลาที่เขาจะไปทางอบายมุขเราก็ต้องปฏิเสธไปอ mm hmm. นี่คือการไม่กระทําบาป mm hmm. การไม่ <c oughs> <c oughs> การไม่เสพอบายมุข เพราะผลของการทำบาป ก, ก็คือการต้องไปเกิดในอบายแทนที่จะไปสูงกับเราต้องไปต่ำการที่เราจะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นี้เราต้องไปสูงขึ้นจากภพที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้คือภพของมนุษย์จากมนุษย์เราต้องขึ้นไปสู่ระดับเทวดาระดับเทพจากเทพเราต้องขึ้นไปสู่ระดับพรหม จากระดับพรหมเราถึงขึ้นไปสู่ระดับพระอริยบุคคลท่านขั้นมรรคผลนี่ผ่านได้มันเป็นการพัฒนาจิตใจเป็นการซักพอกจิตใจให้จิตใจสะอาดขึ้นจิตใจมีความาสุขมากขึ้นน้องเกิดจากการหนึ่งต้องการต้องต้องต้องปิดประตูบายต้องไม่ทำบาปไม่ต้องไม่เสพอบายะมุก ดังนั้นคุณสมบัติอันหนึ่งของชาวพุทธเราก็คือคนที่เป็นชาวพุทธที่แท้จริงนี้จะไม่ทําบาปจะรักษาศีลห้าไว้ <Yeah. S 1> เวลาใครไปชวนชวนไปดื่มสุราเราก็ปฏิเสธเขาได้บอกเขาว่าเราเป็นชาวพุทธชาวพุทธพระเจ้าสอนไม่ให้ไม่ให้ดื่มสุรายาเมาไม่ให้เสพประบายยมุกชวนไปเที่ยวกลางคืนก็ไม่ไปชวนไปเล่นการพนันก็ไม่ไป จนให้เกลียดข้านก็ไม่ไปปฏิเสธเขาไปได้ศาสนาอื่นเขายังปฏิเสธได้เขาไม่กินเนือเขาไม่กินเนื้อหมูเขาก็ปฏิเสธได้เขาไม่กินเนื้อหมูเมื่อเขารู้ว่าเรานับถือศาสนาเราทําตามศาสนาเขาก็ไม่มาบังคับเราเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นชาวพุทธที่แท้ทีนี้เราต้องไม่เสกอบายมุขไม่เล่นไม่ดื่มสุรายาเมาไม่เล่นการพนันไม่เที่ยวกลางคืน ไม่เกียดค้านไม่คบคนที่ชอบอบายามุขป็นนิดแล้วก็ไม่ทํำบาปไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแนมะ้แต่มดมแมลงตัวเล็กตัวน้อยก็เป็นชีวิตเหมือนกันมดมแมลงนี้เขาก็มีดวงจิตดวงใจเหมือนกับมนุษย์หรือสัตว์ที่ใหญ่เช่นช้างก็มีจิตใจมดมแมลงก็มีจิตใจเหมือนกันมีความรักตัวกลัวตายเหมือนกันไม่มีใครอยากจะสูญเสียชีวิตของตนไป เวลาเราจะไปทำร้ายผู้ให้คิดถึงว่าถ้าเราถ้าเขามาทำ rhythm, ร, าร้ายา เ, าาาเราเร า, เราจะรู้สึกอย่ายงไรถ้าเขามาฆ่าเราเราจะรู้สึกอย่างไรถ้าเรามองเขาว่าเขาก็เป็นเหมือนเราเขาก็ไม่อยากตายเราก็ไม่อยากตายทำไมเราไปทำให้เขาเราเราถึงอยากจะไปฆ่าเขาได้อย่างไรถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะไม่ทำร้ายเขามีวิธ oh> ีการอื่นที่จะแยกเขาออกจากเราได้ มดแมลงก็ไล่มันออกไปอยู่ที่อื่นได้หรือหาวิธีป้องกันไม่ให้มันเข้ามาได้ถ้าเราจะทำจริงๆมันทำได้แต่ความมักง่ายความขี้เกียจอยากจะแก้ปัญหาแบบง่ายๆกระตบมันเลยเอายามาฉีดเลยจบง่ายดีแต่มันเป็นการกระทำบาปเป็นการทำให้เราจะจิตใจเราตกต่ำเพราะจิตใจเราจะขาดความเมตตา จิตใจเราจะเกิดมีความเป็นโหดความโหดร้ายขึ้นมาความโหดร้ายนี้มันเป็นคุณสมบัติของสัตว์ที่อยู่ในอบาย mm hmm. เช่นเดรฉ า, านี้เขามีแต่ความโหดร้ายทารุณเ mm hmm. พราะเขาจะต้อง อ, อยู่ด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสัตว์นี้เขาอยู่ด้วยการกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อย แต่เราเป็นมนุษย์คุณสมบัติของมนุษย์ก็คือการมีศีลห้านี่ถ้าเราอยากจะรักษาความเป็นมนุษย์ไม่ให้จิตใจเราตกต่ากว่าที่เราเป็นอยู่ขนาดนี้เราก็ต้องอย่าไปทาบาปอย่าไปเสพอบายมุกเราต้องการขึ้นสูงการที่จะไปรับรางวัลรับมรดก ข, ของพระพุทธเจ้าได้นี้เราต้องเราต้องยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นไม่ใช่ต่าลง ถ้าไปเป็นเดรัจฉานนี่ก็ไปรับมรอกไม่ได้เชืชอกพวกหมาที่มาอยู่อาศัยวัดนี่รับมรลกนิพพานไม่ได้รับได้ก็คือข้าวก้นบาทอาหารที่เหลือจากบินฑบาททั้งนี้แล้วก็ได้ที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยไม่มีใครมาทําร้าย ไ, ได้แต่ก็ได้ประโยชน์ทางร่างกายเท่านั้นแต่ประโยชน์ทางจิตใจนี้รับอะไรไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวงนั้นอย่าไป อย่าไปเป็นเดรัชาอย่าไปเป็นเปรตอย่าไปเป็นนสุรกาอย่าไปตกนรก<ม>เพราะ<ม>จะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปรับมักผลนิพพานรับมรดก ข, ของพระพุทธเจ้าได้ถ้าอยากจะเป็นรับมรดก ข, ของพระเจ้านี้ต้องยกระดับจิตใจ จ, จากมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเทวดา<ม><ม>การจะยกระดับจิตใ จ, จให้ขึ้นไปเป็นเทวดาแล้อันนี้ก็คือต้องทาบุญทำทานทำความดีต่างๆแผ่เมตตา ไม่ได้แผลด้วยการสวดแผลด้วยการกระทำไม่ใช่นั่งสวดสัเพสตาเวลาหหนตุข อ, อ, อ, อยสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจะไม่มีเวรกันเถิดแต่เวลาใครทำให้เรากดนี้จะฆ่าเขาให้ได้อันนี้ไม่ได้เป็นการแ ผ, แผแ่เมตตาแผแ่เมตตาต้องแผ่เวลาที่เจอกันที่เกิดเหตุการกระทบกระทั่ทกาทางกันเจอแล้วทาเขาทำารผิดพลาด ท, ทาให้เราเกดความเสียหายก็ต้องให้อภัยหะเวลาหนตุ ไม่จองเวรกันไม่ใช่เจา้าจองเวรจองกรรมกันการส่วนนี้ไม่ใช่เป็นการแถมเมตตาขอให้ท่านทั้งหลายเข้าใจไว้การส่วนเป็นการการศึกษาเป็นการทบทวนเป็นการเตือนใจว่าการแถมเมตตาให้แผ่อย่างไรสับเปสัติอาเวลาของตุอทั้งหลายทั้งปวงจงอย่ามีเวรกันต่อกอันเลยเถิดเราอย่าไปมีเวรกันกัน เวลาเกิดความโกรธแค้นโกรธเคืองเกิดความเสียใจเสียหายก็ให้อภัยกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรผ่านไปแล้วอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปขออภัยกันไปขอขอเข้ามาทำไมขอโทษขอโทษจ้ะคนที่ทําผิดก็ขอโทษคนที่รับคนที่ถูกถูกกระทาก็ให้อภัยไปเรื่องมันก็จบจิตใจก็ยัง ร, รักษาสถานภาพของความเป็นมนุษย์ นะครัให้จิตใจสูงขึ้นด้วยการไปเป็นเทวดาได้เทวดานี้เป็นผู้ให้เราต้องถ้าอยากจะเป็นเทวดาต้องจิตใจต้องรู้จักการให้ให้อภัยให้ความสุขกับผู้สุขีอัตานังกริหะรันตุให้ความสุขมีอะไรที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ก็แบ่งกันไปให้เขามีความสุขเช่นช่วงปีใหม่เทศกาลปีใหม่เราก็ให้ของขวัญกันอะไรนี่อันนี้ก็เป็นการแผ่เมตตา แต่ด้วยการกระทําสุขีอตาณังปัลลิฮะรันตุขอให้สุขทั้งหลายจงมีความสุขรักษาตนเถิดความสุขรักษาตนก็ความสุขที่เกิดจากการให้ของเราให้ความสุขกับเขาเขาก็เลยมีความสุขรักษาเขา mm. อา น, อ น, นิคาหหนตุอย่าไปทําร้ายร่างกายของร่าจิตใจของกันและกันเวลากอดแขนกอดเข่าก็อย่าไปทุบตีกันอย่าไปทิ่มแทงกันไปฆ่ากัน หรือไปกั่นแกล้งเพื่อทำให้เขาเกิดความเสียหายทางด้านจิตใจอย่าไปทําให้ทุกกายทุกใจกัน<ม>แล้วก็ทําอะไรก็อย่าไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับผู้อื<ม>่นจะจัดงานเลี้ยงฉลองปีใหม่เขาดามก็ต้องดูว่าคนข้างบ้านเขาจะนอนหลับหรือเขาจะหลับจะนอนหรือเปล่า<ม>ก็ต้องไปขออนุ ญ, ญาตเขาก่อนหรือทางว่าก่อนทําได้ไหมถ้าทําไม่ได้ก็อย่าไปทํา<ม>ไปทําที่อื่น<ม>ทําอะไรอย่าไปเบียบเดเบียนคนอื่นเขาะ อันนี้แหละคือเป็นการทำความดีอย่างหนึง่งจะด้วยการให้ก็ได้ให้ความสุขก็คือการทำบุญทำทานต่างๆให้อะไรก็ได้ให้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็ได้ให้อภัยก็ได้ ใ, ให้อภัยทานก็ไปปล่อยนกปล่อยปลาไปถ่ายโคไปถ่ายชีวิตวัวควายที่จะถูกฆ่าให้อภัยอภัยโทษ ใ, ให้เขาได้อยู่เป็นอิสระไปจนวันตายของเขา อยห้าต้องตายด้วยน้ำมือของคนด้วยของผู้อื่นเลย <Yeah. S 2> ทําได้หลายแบบทำความดี <Yeah. S 2> ไปเป็นอาสาสมัคร <Yeah. S 2> ก็ได้ไม่มีเงนินไม่มีทางมีเวลาว่างก็ไปเป็นอาสาสมัคร <Yeah. S 2> ไปเป็นจิตอาสา <Yeah. S 2> ที่ไหนเขามีงานมีการต้องการคนไปช่วยทํางาน <Yeah. S 2> ก็ไปทําทําด้วยความสมัครใจไม่เรียกค่าตอบแทน <Yeah. S 2> ไม่เรียกร้องอะไรทั้งสิน้น <Yeah. Yeah. S 2> อันนี้ ถ้าหนูจะไปสอนวิชาวความรู้ให้กับคนที่ก็อยากจะเรียนรู้อะไรก็ได้ทํากับข้าวเป็ น, ปนมีฝีมือดีในการทํากับข้าวคนก็อยากจะไปเปิดร้านธรรมะอาหารขายก็สอนวิธีทํากับข้าวให้กับเขาไปอวิธีทําเสริมสวยความงามทําาทำผมเย็บปักถักร้อยอะไรต่างๆถ้าเราอยากจะแบ่งปันความรู้นี้ให้กับผู้อื่นก็ได้เป็นวิทยาทาน หรือถ้าเราได้อ่านหนังสือธรรมะดีๆช่วยบรรเทาความทุกข์ใจของเราได้ก็จ ะ, ะไปพิมพ์ไปเผยแพร่ให้แก่ผู้อื่นก็ได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นธรรมทา น, นนี่คือวิธีการทำความดีต่างๆทำบุญทำกุศลต่างๆคือหัวข้อสรุปก็คือทำให้คนอื่นเขาเกิดประโยชน์สุขกัเรลกันทำอะไรแล้วทำให้คนเขาได้รับประโยชน์ได้รับความสุขจากการกระทาของเรา แ้วมันจะยกระดับจิตใจของเราจากมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเทวดาพอเราได้เป็นเทวดาแล้วมันก็จะง่ายต่อการที่เราจะไปยกระดับให้ขึ้นไปเป็นพรหมต่อไปการจะไปเป็นพรหมก็ต้องไปเนี่ยไปไปบวชกันไปถือศีลบวชกันจะบวชชั่วคราวหรือบวชถาวรก็ได้เบื้องต้นก็อาจจะไปบวชชั่วครั้งชั่วคราวก่อนไปริ้มรสก่อนไปชิมก่อนไปชิมว่ารสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงนี้เป็นอย่างไร เขาว่าร้านนี้อาหารอร่อยหลือเกินอยากจะรู้อร่อยไม่อร่อยแล้วก็ต้องลองไปกินก่อนเบื้องต้นเราก็ไม่กล้าสั่งอาหารมาเยอะๆเดี๋ยวกลัวไม่อร่อยเราจะเสียเงินก็สั่งแค่มาจานสองจานลองดูก่อนพอพอได้ลิมรสแล้วโอ้ยมันดีมันอร่อยนี่ก็สั่งมาทั้งทั้งร้านเลยก็ได้มีอะไรสั่งมาหมดเลยอันนี้ก็เหมือนการเบื้องต้นเราก็ไปลิ้มรสก่อนไปชิมก่อนไปไปบวชแค่วันหนึ่งก่อนก็ได้วันพระนี่เป็นวันบวช เป็นวันบวชช่วขาวพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราหยุดทำงานทำการหนึ่งวันแล้วก็ไปถือศีลไปอยู่วัดกันไปไปลิ้มรสแห่งธรรมรสแห่งธรรมก็คือรสของความสงบที่เกิดจากการเจริญสตินั่งสมาธินี่แต่ก็ต้องถือศีลแปดต้องหยุดการหาความสุขที่ที่ต่ำกว่าความสุขที่ได้จากทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นความสุขของมนุษย์ของเทวดา ผมไม่ไมเสพความสุขแบบนี้ผมเสพความสุขที่ละเอียดกว่าที่ดีกว่าก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบของรูปฌปานหรืออรูปฌปานนี่การจะเสพเหล่า น, นี้ได้ก็ต้องละเว้นการเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็คือต้องสำรวจมินรีตาหูจมูกมิ้นกายสำนวจหยุดไม่ให้กิเลสออกไปทางตาหูจมูกมิ้นกายให้อยู่ในใจ แล้วก็ใช้สติใช้สมาธิทำให้มันนิ่งให้มันสงบพอมันนิ่งมันสงบแล้วก็จะเกิดลดแห่งธรรมที่<น>ที่เหนือกว่าลดทั้งปวงเ<น>กิดลดของความสงบนี่นนต้องไปถือศีลแปดไปปิกวิเวกไปอยู่คนเดียวที่สงบขังกิเลสไม่ได้ขังตัวเราหรอกที่เราไปอยู่คนเดียวขังตัวเราขังร่างกายอยู่ในห้องไม่ให้ไปไหนนี่ไม่ได้ไม่ได้ไปขังตัวเราหรอก ทั้งตัวกิเลสตัวกิเลสที่ชอบออกมาเพ่นพ่านชอบไปทางตาหูจมูกลิ้นกายไปหมดทั่วทัสารทิศอันนี้ถ้าไปถ้าปล่อยมันไปงี้มันก็พาไปเวียนว่ายตายเกิดเท่านั้นนะมันไม่ได้พาไปไหนหรอกพอร่างกายนี้ตายไปไอกิเลสตัวนี้มันไม่ตายตัวที่ชอบเที่ยวไปทางตาหูจมูกนิ้งกายมันก็จะลึงใจให้ไปเกิดใหม่ลึงใจให้ไปหาร่างกายใหม่มันก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ถ้าต้องการยุติการวินว่ายแต่เกิดนี่ต้องหยุดไอ้ตัวความอยากเบื้องต้นก็ตัวความอยากในรูปเสียงกลิ่นรถก่อนโดยการอาศัยการหาความสุขจากความสงบแทนเพราะความสุขที่เกิดจากความสงบนี้มันเหนือกว่าความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรถพอเราได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เร็วกว่าเราก็ทิ้งได้เลิกได้เช่นถ้าเรามีรถใหม่รุ่นใหม่ เราไม่รถเก่าเราก็ทิ้งรถเก่าได้ได้รถใหม่ใครจะไปขับรถเก่าให้มันเสียเวลาทาไมรถใหม่มันดีกว่าทุกอย่างวิ่งได้ดีกว่าเร็วกว่าสบายกว่าพอเราได้รถใหม่เราก็ทิ้งรถเก่าได้แต่ถ้าเรายังไม่มีรถใหม่เราก็ยังทิ้งรถเก่าไม่ได้เราต้องอาศัยให้รถต้องไปหารถใหม่มาทดแทนก่อนรถใหม่ก็คือรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปัว ลดของความสงบเนี่ยชนะรดของรูปเสียงกลิ่นลดผลพัพนาพอเราเข้าสมาธิเข้าฌานได้เราก็จะได้พบกับความสุขที่ที่ดีกว่าที่เหนือกว่าความสุขที่ได้ความสงบมันดีกว่าหลายด้านมันสุขมันเป็นความสุขที่หนักแน่นที่เป็นความรู้สึกอิ่มเอิบกว่าความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นลดแล้ววิธีการหามันมันก็ง่ายกว่ามันไม่ต้องยุ่งยากเหมือนกับการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรด การหาความสชคจากเรื่เสียงกลิ่นรสนี้ก็ต้องมีตาหูจมูกนิ้นกายมีร่างกายที่แข็งแรงเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปหามันไม่ได้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ต้องมีทรัพย์มีเงินทองสนับสนุนอยากจะไปเที่ยวมันก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายก็ต้องมีเงินมีทองต้องใช้ใจ่ายแล้วไปต้องมีที่เที่ยวที่ต้องมีที่อยากจะไปที่เคยไปมาแล้วก็เบื่อไม่อยากจะไปมันไม่ใช่เป็นของที่จะหาได้ง่ายๆุ่่งลาย แล้วได้มาปป๊บเดียวมันก็หมดแล้วพอได้ไปเที่ยวมากลับมามันก็เฉยๆแล้วไม่อยากกลับไปอีกแลเบื่อแล้ว mm hmm. แล้วมันก็ต้องไปหาที่เที่ยวใหม่เน mm ี hmm. ่ยมันก็มันยุ่งยากกว่าการที่เราไปหาที่สงบ mm hmm. ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญสติ mm hmm. พอทําให้จิตใจเราสงบเราก็ได้ความสุขที่เหนยอกว่าเงินทองก็ไม่ต้องเสียร่ mm hmm. างกายก็ไม่ต้องแข็งแรงก็ได้ นอนสมาธิก็ได้ท่านนั่งสมาธิไม่ได้เดินไม่ได้ก็ทำได้แต่ถ้าในเบื้องต้นก็ต้องอาศัยร่างกายที่ที่แข็งแรงก่อนถ้าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะปฏิบัติยากมันจิตใจมันไม่อยากจะเจริญสติมันอยากจะนอนอย่างเดียวเอาผ่อนแต่ถ้าต่อไปสมมติว่าถ้าเราทำได้แล้วนี้ต่อไปร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่ยวยเราก็ยังสามารถทาใจให้สงบได้ แต่ถ้าไปทางถ้าจะไปเที่ยวพอร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปไม่ได้นะอ น, นี้คือความแตกต่างกันของความสุขของของรูปเสียงกลิ่นรสกับความสุขที่ได้จากความสงบใครได้รับความสงบแล้วความสุขจากความสงบแล้วชีวิตจะเปลี่ยนไปจะเป็นคนที่เคยเข้าสังคมชอบแต่งเนื้อแต่งตัวสวยงามอะไรต่างๆไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็จะกลับกลายเป็นเป็นคนอีกคนหนึ่งไป เปคนที่ชอบไปอยู่วัดชอบไปหาที่สงบชอบไปบวชพอเช้านี้ก็มีลูกศิษย์คนบอกอยากจะไปบวชชีนะพอสัมผัสกับโลแถแห่งธรรมมากๆอยากจะไปโกนหัวบวชชีแต่เราก็บอกแล้วเนี่ยความเจริญทางธรรมมันดูที่ผมเนี่ยถ้ายิ่งเจริญผมยิ่งสั้นถ้าอยากจะดูว่าคนนี้ปฏิบัติทําไปถึงไหนเราดูที่หัวเขาเนี่ยดูที่ผมเขาว่าสั้นหรือ ย, ยาวถ้ายังยาวอยู่ก็แสดงว่ายัางยังไม่เจริญ ตามหมดหัวผมหมดหัวเมื่อไหร่แสดงว่านี่ไปไกลแล้วเนี่ยใกล้แล้วใกล้กลกลนพลิพานขึ้นมาแนละ้วนี่แหละเพราะว่าความสวยทางร่างกายมันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกข์ถ้าไปยึดไปติดมันเวลาไม่เวลามันเสื่อมแล้วมันจะทุกข์แต่ความสวยทางใจนี้มันไม่มีวันเสื่อมความสวยด้วยความสงบนี้มันไม่มีความเสื่อมตามตามเวลาตามร่างกาย มันเคยสง บ, บยังไงเคยสุขยังไงมันก็สามารถรักษาความสง บ, บความสุขนั้นได้ตลอดเวลาไม่ได้ขึ้นกับร่างกาย น, นี่ก็คือสิ่งแรกที่เราต้องทำถ้าเราอยากจะยกระดับจากเทวดาขึ้นไปเป็นพรหมเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขหาความสุขจากการไ ป, ปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวซ้ำรวมตาหูจมูกลิ้นกายไม่ออกไปข้างนอกไม่ไปยุ่งกับคนนั้นคนนี้ ให้อยู่ตามลำพังเพื่อเจริญสติฝึกสติทําจิตใจให้สงบพอจิตใจสงบแล้วทีนี้มันก็ได้ยกระดับจิตใจถึงขั้นขั้นระดับของโคมลนะของรูปถ้าได้รูปประชานก็ได้รูปประมถ้าได้อารูปประชานก็ได้อารูปประรมพอถึงระดับนี้แล้วก็ทีนี้ก็จะ ขั้นต่อไปที่สูงกว่าระดับพรหมก็คือขั้นระดับมรรคผลนิพพานนะขั้นระดับโสดาบันสกิดาคามีอนาคามีมก็ต้องใช้การปฏิบัติ อ, อ, อ, อีกระดับหนึ่งที่เรียกว่าปัญญาหลศีลจะมาที่แล้วก็มาสู่ขั้นปัญญา<ม>ขั้นต้นก็รักษาศีลศีลห้าก่อนแล้วก็รักษาศีลแปด ช่วงที่รักษาสีลห้าก็ทําบุญทําทานไปก่อนยกระดับจากมนุษย์ไปเป็นเทวดาพอได้เป็นเทวดาแล้วทีนี้ก็ยกระดับจากเทวดาไปเป็นพรหมด้วยการไปจเจริญได้ข ม, มับใช้การสํารวมมินทร์รักษาศีนของนักบวชสินแปดขึ้นไปศินแปดสินสิบสินสองร้อยี่สิบเจ็ดเนี่ยเป็นสินของนักบวชเพื่อที่จะสํารวมตาหูจมูกนิ้นกายเพื่อที่จะได้ เอาเวลาไปเจริญสตินั่งสมาธิทําใจให้สงบใจสงบก็ได้ขั้นพรหมรูปประภมอรูปประภมพอได้ขั้นนี้แล้วขั้นต่อไปก็ต้องใช้ปัญญามาเจริญเพื่อให้ใ ห, ให้ขึ้นสู่ขั้นโสดาบานันขั้นสกิดาคาขั้นอนาคาขั้นอรหรันเหตุที่ทําให้ใจเรายังติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะเพราะว่าเรายังมีความอยาก ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขแต่การใช้ร่างกายมันก็ทำให้เราเกิดความทุกข์เพราะร่างกายมันเป็นของไม่เที่ยงเก่แก่เจ็บตายมันไม่ใช่ตัวเราของเราก็ต้องมาสอนใจให้เห็นว่าการมีร่างกายนี้เป็นทุกข์ทุกข์เพาอยากให้มันอยู่เป็นนานมันอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอมันพอมันแก่มันเจ็บมันตายก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้อง ปล่อยให้มันแก่ไปปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายไปห้ามมันไม่ได้อยู่ดีทําไงก็ห้ามมันไม่ได้อยากไปก็ทุบไปเปล่าๆงั้นอย่าไปอยากมันจะแก่ก็ต้องยอมรับความจริงมันจะเจ็บก็ต้องยอมรับความจริงมันจะตายก็ต้องยอมรับความจริงถ้ารับความจริงได้ปล่อยวางมันได้ใจก็ไม่ทุกข์กับไม่ทุกข์กับร่างกายไม่ทุกข์กับเวทนาความเจ็บปวดต่างๆก็จะละแล้วก็ละความอยากที่จะร่วมความสุข ทางทางร่างกายได้ด้วยการเจ็บกามอารมณ์ต่างๆก็ต้องเห็นร่างกายว่าเป็นของไม่สวยงามนี่เป็นนสุภาษะมีอาการสามสิบสองไม่ใช่มีแค่ห้าการที่เราเห็นอยู่ภายนอกผมขนเล็บฟันหนังทางนึงภายใต้ผิวหนังก็มีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีลำไส้มีตับมีไตมีปอดมีอะไรต่างๆมีน้ําอะไรต่างๆ ถ้าพิจารณาด้วยปัญญาแนละ้วปัญญานี่มันเหมือนเอนะ็กซเรย์น่ะมันตามันสามารถมองทะลุผิวหนังเข้าไปได้พิจารณาอยู่เนืองๆคิดอยู่บ่อยๆที่ถึงอาการที่มันซ่อนอยู่ใต้ผิวหนังอยู่บ่อยๆต่อไปเห็นร่างกายของใครก็จะเห็นทะลุเข้าไปเลยเห็นโครงกระดูกเห็นอะไรต่างๆเอางี้อย่างนี้แล้วต่อให้เป็นดาราภาพยนตร์จะหล่อจะสวยยังไงก็มันก็ไม่สวยวในสายตาของผู้ที่มีปัญญา ในสายตาของผู้ที่ได้เจริญนักสุภาษกรรมฐานก็จะสามารถละปล่อยวางร่างกายได้หมดเลยไม่มีความยึดติดในร่างกายทุกสัดทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องความแก่ความเจ็บความตายหรือในเรื่องของความสวยความงามของร่างกายนี้ก็จะไม่ไม่หลงอีกต่อไปไม่ไม่อาศัยไม่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะว่ามันเป็นทุกข์เพราะามันจะต้องทําให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดถ้าต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุข พอร่างกายนี้ตายไปก็ต้องไปเปลี่ยนหาร่างกายอันใหม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่อยู่เรื่อยๆพอเลิกหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปก็ไปเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมแทนพอไปอยึดซ้อ์ชั้นพรหมก็ไปติดความสุขของสวรรค์ชั้นพรหมก็ต้องพิจารณาว่าความสุขของชั้นพรหมมันก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นอนิจจังทุกขังของนัตตาเหมือนกันถ้าไปยึดไปติดเวลามันเสือ่อมมันก็จะทําให้ใจทุกข์ได้ นั้นก็อย่าไปติดกับความสุขของของสวรรค์ชั้นผมของรูปประพรมเนื้อรูปประพรมรู้ตามความเป็นจริงเวลามันจะสงบก็รู้ว่ามันสงบเวลามันไม่สงบก็ไม่สงบแต่ไม่ไปยึดไปติดกับมันเพราะไม่ต้องการจะทุกข์กับมันพอตัดความอยากในการหาความสุขจากรูปรูปประชานเรื่องรูปประชานได้ใจก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปใจสามารถอยู่โดยที่อยู่กับความว่างได้อยู่กับการไม่มีอะไรได้ แลวการไม่มีนี้ก็เป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนความว่างนี้มันเที่ยงแท้แน่นอนมันว่างตลอดเวลาเนี่ยความว่างนี้ตั้งแต่เช้ามาถึงบัดนี้มันก็ยังเป็นความว่างอยู่อย่างไรแต่อย่างอื่นมันเปลี่ยนงันไปหมดอ่แสงสว่างมันก็เปลี่ยนจากจากมืดก็มาสว่างฮะเดี๋ยวมันก็ไปมืดเนี่ยลมมันก็พัดไปพัดมามีอย่างเดียวที่ไม่เปลี่ยนก็คือความว่างกามไม่มีอะไร ใจที่ปราศจากความอยากก็จะสามารถอยู่กับความยากอยู่กับความว่างได้อยู่กับการไม่มีอะไรได้ใจก็จะเป็นนิพพานขึ้นมานิบานังปลมังสุญญงใจที่สามารถอยู่กับความว่างได้ก็จะเป็นนิบานังปลมังสุขขังเป็นใจที่มีความสุขอย่างยิ่งเมื่อใจมีความสุขอย่างยิ่งก็จบไม่ต้องไปกิเวียนไหวตายเกิดอีกต่อไปไม่ต้องไปหาความสุขจากตายพบจากการมาพบจากรูปพบหรืออารูปพบอีกต่อไป ใจก็วิปุตติหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงอันนี้แหละคือมรดกที่พระพุทธเจ้าจะมอบให้กับชาวพุทธที่แท้จริงถ้าอยากจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงเพื่อรับมรดกอันเดอรอันประเสริญนี้ก็ต้องทําหน้าที่ของชาวพุทธที่แท้จริงที่มีอยู่สขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่หนึ่งก็ให้ศึกษาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเช่นสอนให้เราละบาปทําบุญชําระจิตใจให้บริสุทธิ์ เมื่อเราได้เรียนแล้วขั้นที่สองก็เอาไปปฏิบัติไปละบาปกันไปรักษาศีลกันไปละเว้นาการเสพเอาบายามุขกันแล้วก็ไปทําบุญทําความดีต่างๆมีอะไรช่วยเหลือใครได้ก็ช่วยไปมีอะไรให้แบ่งปันกันกได้ก็แบ่งปันกันไปทําประโยชน์เพื่อทําให้ผู้่นมีความสุขและทําให้จิตใจเราสูงขึ้นผู้ให้ย่อมเ ป, เป็นผู้ที่มีจิตใจสูงกว่าผู้รับนั้นการให้เป็นสิ่งที่ดี เมื่อห้้ได้แล้วก็จะสามารถไปเปรีวิเวเกไปภาวนาได้ไปทำใจให้สงบได้ชำระจิตใจกำจัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้พอชำระหมดแล้วจิตใจก็เป็นจิตใจที่ว่างเป็นประมังสุญญงเป็นประมังสุขขังขึ้นมา น, นี่แหละคือหน้าที่ของชาวพุทธเมื่อได้บรรุแล้วขั้นต่อไปก็จะไปสอนใครก็ได้ไม่สอนก็ได้ แล้วแต่ว่าจะมีใครอยากจะมาเรียนรู้หรือไม่ถ้าเขาอยากจะมาเรียนรู้ก็สอนเข้าไปแต่ถ้าเขาไม่เรียนรู้ก็ไม่ไปไม่ไปบังคับเขาไม่ไปเรียกเขามาเรียนธรรมะนี้ไม่เป็นสิ่งที่เราไปบังคับกันได้สอนให้กับคนที่เขาสนใจอยากรู้แต่คนที่ก็ไม่สนใจไม่อยากรู้ก็ไม่ต้องไปสอนเขาอันนี้เป็นการทําข้อที่สี่คือการเผยแผ่ธรรมการเผยแผ่ธรรมนี้ก็จะเป็นการที่จะได้ สอให้ผู้ได้รู้จักธรรมได้ปฏิบัติธรรมและได้บรรลุธรรมต่อไปจะได้มีผู้ที่มาสืาบทอดมรดกของพระพุทธเจ้าการจะสืบทอดมรดกคือมรรคผลนิพพานก็ต้องมีการมีการสั่งสอนมีการเผยแผร่ธรรมต่อผู้ที่มีความสนใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติที่จะบรรลุธรรมตามลำดับต่อไปนี่แหละคือความเป็นพุทธที่แท้จริงก็คืออยู่ที่การปฏิบัติหน้าที่สี่ข้อในกันข้อหนึ่งคือ ศึกษาข้อที่สองปฏิบัติข้อที่สาบรรลุธรรมหลังจากบรรลุธรรมแล้วถึงจะไปเผยแผ่สั่งสอนทำได้ถ้ายังไม่บรรลุก็จะเอาทำที่ไหนไปเผยแผ่มันก็เป็นทำเมาไม่ใช่ธรรมะดังนั้นถ้ายังไม่บรรลุอย่าเพิ่งไปสอนคนสอนในสิ่งที่เราบรรลุแล้วได้แต่สอนที่เราสิ่งที่เรายังบรรลุไม่ได้อย่าเพิ่งไปสอนเพราะมันจะทําให้คนอื่นหนงทางในเมื่อตัวเรายังไปไม่ได้แล้วเราจะไปสอนให้คนอื่นเข้าไปได้อย่างไร น, นี่คือเรื่องของการมามาทำตนเองให้เป็นชาวพุทธที่แท้จริงคือด้วยการทำหน้าที่ที่พระเจ้าได้ส่งมาไว้สี่ประการนี้การแสดงธรรมก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยากทาวเรวาหาปุราปาิริปุเรนติสาขลงเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุ ป, ปกปติ เอจิตังปฏิตังตุมหังคิปเปเมวัสเมจฉะตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะราโสยธามณีโชติราโสยธาสัพพิติโยวิวัจฉันตุสัพพารุโควินัสสตุมาเตภะวัตวันตาวายุสุขิทีขายุโกภวะ พิวาทะนศิลิษานิจังวุธาปจายโนจตารธรรมวทาฐนติอายุวโนสุขังภาลางัง <c oughs> ช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม <c oughs> ใครมีคำถามอะไรฟังเทศแล้วไม่เข้าใจตรงไหนอยากจะถามขยายความก็ถามได้ ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้แต่ขอให้ถามในช่วงนี้ช่วงเดียวเพราะว่าหลังจากเรื่องแล้วจะไม่สะดวกอันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ วันนี้มีผู้รับฟังธรรมะธรรมานาคุตจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติห้าร้อยสิบหนึ่งท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์สามรอยยี่สิบเก้า YouTube ดร V 6หกสิบห้า s e ับฮ์ห้าิทยุออนไลน์เก้านาคุตหนึ่งร้อยห้าสิบสองท่านรวมทั้งหมดหนึ่งพันเจ็ดสิบท่านค่ะคำถามจากผู้รับฟังนาคุตค่ะ พวลาภาวนาโดยการกำหนดลมหายใจเข้าออกอานาปนาสติเมื่อทำไปสักระยะหนึ่งลมอ่อนจนจับลมไม่ได้คือหาลมเข้าออกไม่เจอจิตจะนิ่งไปสักพักแล้วความคิดฟุง้งจะเริ่มมาจนต้องสูดลมหายใจเพื่อกลับมาดูลมต่อลดความฟุง้งจะวนอยู่อย่างนี้เจ้าคะ่ะอยากทราบว่าเมื่อลมหายใจนิ่งๆแล้วทำอย่างไรไม่ให้มีความคิดฟุง้งมาแทรกได้เจ้าคะ่ะใช้เศษ คอยคอยดูความคิดถ้ามันคิดก็หยุดมันถ้ามีสติมีกาลังพอพอรู้ว่าจะคิดมันก็จะมันก็จะหยุดได้หรือถ้ามันไม่หยุดก็ต้องอาศัยลมต่อไปแสดงว่าสติเรามีกําลังน้อยต้องเพิ่มกําลังของสติด้วยการฝึกสติก่อนที่เราจะมานั่งอย่ามันทาสติเพียงช่วงที่เรามานั่งอย่างเดียวต้องฝึกตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยตื่ขึ้นมาก็ฝึกสติได้เลยก่อน ก่อนจะลุกขึ้นจากเตียงก็ตั้งสติก่อนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนร่างกายอยู่ในท่าไหนอิริยาบถไหนถ้าจะใช้ร่างกายเป็นการที่ตั้งสติก็คอยเฝ้าดูทุกิริยาบถของการเคลื่อนไหวของร่างกายจากที่นอนก็ลุกขึ้นมาจากนอนก็ลุกขึ้นมานั่งจากนั่งก็ลุกขึ้นมายืนจากยืนก็เดินให้มีสติอยู่กับการเดินการกระทํา ไปล้างหน้าแปรงฟานหนับน้านําอับท่าทําอะไรก็อยู B ่มี S T e. สติฝึกสติไปอยู่กับร่างกายไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ยังไม่ถ้ายังไม่มีความจาเป็นอย่าต้องคิดอย่าไปคิดอะไรพยายามฝึกสติหยุดคิดไปเรื่อยๆก่อนหรือว่าถ้าเราใช้คําบาลีรมพุทโธแทนก็ได้เงตาขึ้นมาเพิ่มกับพุทโธพุทโธพุทโธไป เดินเข้าห้องน้ำอาบน้ำล้างหน้าแปลงฟลันกพ็พุโทโธพุทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวกับพุโทโธไปรับประทานอาหารก็พุโทโธไปคิดให้น้อยที่สุดคิดเท่าที่จําเป็นถ้าจําเป็นต้องคิดก็หยุดพุโทโธไว้แป๊บหนึ่งพอคิดเสร็จแล้วก็กลับมาพุโทโธพุธโทโธต่อไปถ้าทำอย่างนี้เราจะมีสติมีกําลังมากเวลามานั่งดูลมหายใจเข้าออจิตก็จะนิ่งจะสงบได้นานกว่า ยังไม่มีคำถามยังค่ะก็ต้องฝึกสติไปเรื่อยๆนะถ้าอยากจะได้ผลจากการนั่งสมาธิดิจจะสงบได้นานไม่นานได้ง่ายหรือไม่ง่ายนี่อยู่ที่สติถ้ามาฝึกสติเพียงช่วงที่เรามานั่งสมาธิมันไม่พอกำลังไม่พอเหมือนกับเครื่องบินเวลามันจะขึ้นมันต้องมีรานเวยาวๆถ้ามันวิ่งถ้ามันวิ่งเร็วจะทังความเร็วมันถึงระดับที่จะยกเครื่องขึ้นฟ้าได้ ถ้ามีลันเลสั้นๆจากนี่ไปถนนนี่ก็เบนบบ น, นขึ้นขึ้นไม่ได้จิตก็เหมือนกันจิตจะเข้าสู่ความสงบได้จิตต้องมีสติเยอะๆต้องฝึกมาตั้งแต่ก่อนก่อนที่จะมานั่งมั่มีคนได้มากเท่าไหร่ลันเลยิ่งยาวเท่านั้นลันเลยาวก็โอกาสที่มันจะบินเพิ่มความเร็วให้มากขึ้นมากขึ้นมันก็เพิ่มไปได้ ถ้าลานเวทสั้นๆนี่บิอยัไงไรก็ขึ้นไปไม่ได้เพราะความเร็วมันไม่พอฉันใดสติเราก็เหมือนกันแต่ทาให้จิตนิ่งสงบนิ่งอยู่นานๆนี่ต้องมีสติมีกําลังเยอะๆต้องฝึกบ่อยๆต้องฝึกให้มากๆต้องคอยหยุดความคิดอยู่เรื่อยๆเหมือาการฝึกสตินี้สําคัญจําเป็นก่อน ก, การที่จะมานั่งสมาธิเบื้องต้นต้องฝึกสติให้ได้ก่อนให้มากที่สุดทั้งวันทั้งคืนเลย วันพระนี่วันไปอยู่วันเนี่ยไม่ต้องไปทําอะไรเพียงแต่สติอย่างเดียวเนี่ยคอยควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้มันคิดไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ให้เราอยู่กับเอเลียบทที่เรากําลังทําอยู่ไม่อยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธของอย่างนี้สลับแทนกันได้กรดีร่างกายก็ได้จะใช้พุทโธก็ได้หรือบางทีก็ต้องใช้ทั้งสองอย่างควบคู่กันไปแต่อย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ความคิดเหล่านี้ไม่มีไม่มีค่าไม่มีประโยชน์นอกจากไม่มีคุณค่าแล้วยังเป็นอุูยังเป็นปัญหาที่จะทําให้ใจสงบไม่ได้เนั mm hmm. ้นต้องพยายามหยุดความคิดให้ได้หยุดให้มากๆหยุดให้บ่อยๆแล้วเวลานั่งสมาธิดูลมก็ดีดูพูดโธก็ดีมันจะสงบได้ง่ายได้เร็วและอยู่ได้นาน mm hmm. สติพระเจ้าบอกเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในของการปฏิบัติ mm hmm. เป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําคัญที่สุด เหมือนรอยเท้าช้างที่ใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ทั้งหมดในปา่ารอยเท้าช้างนี่ครอบได้หมดเลยสัตว์นิดเดือนนี่รอยเท้ามันไม่ใหญ่เท่ากับรอยเท้าช้างธรรมะทั้งหมดที่พระเจ้าทรงสอนไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิอ่อปัญญามิมุติมรรคผลนิพพานนี้ถ้าไม่มีสติเกิดขึ้นไม่ได้ต้องอาศัยสติเป็นผู้นำ ดังนั้นต้องพยายามฝึกสติสร้างสติสร้างสติให้มากเจริญให้มากเจริญให้บ่อยเป็นเป็นข้อแรกของการปฏิบัติเหมือนกับการเรียนหนังสือาการเรียนหนังสือสิ่งแรกที่เราต้องเรียนก็คือกอไก่ข้อไข่ก่อนที่จะอ่านออกเขียนได้น้องรู้จักกอไก่ข้อไข่แล้วมันเป็นยังไงสละสละอาสละอิสละอีนต้องเรียนพวกนี้ก่อนถึงจะให้ไปอ่านถึงจะ ไ, ไปเขียนได้ จะไปนั่งสมาธิเข้าฌานขั้นต่างๆก็ต้องมีสติก่อนไม่มีสติก็เข้าฌานไม่ได้เข้าฌานไม่ได้จะไปทางปัญญาก็ไปไม่ได้ปัญญาก็ไม่มีกําลังที่จะไปสู้กิเลสกิเลสจะจะสู้กิเลสได้ปัญญาต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับเสมอสมาธิเป็นเหมือนสบียงเป็นอาหารของใจเหมือนทหารเวลาจะออกรบนี่ต้องมีสเบียงก่อนจะไปสู้รบนี่ต้องกินอาหารให้อิ่มก่อน ถ้าไปแบบท้องว่าง น, นี้ไม่มีพลิอวมีแรงสู้กับข้าศึกศัตรูไม่ได้ฮะ แ, แต่ถ้ากินแล้วกินข้าวอิ่มมีกําลังวางชาแล้วทีนี้ก็สามารถที่จะต่อสู้กับข้าศึกศัตรูได้ย mm hmm. ันอย่ามองข้ามสติเป็นหนลัดถ้าอยากจะปฏิบัติทำ mm hmm. ต้องให้ความสําคัญกับสติเป็นสิ่งแรกก่อน mm hmm. มีคําถามเข้ามาหรือยงัง คำถามจากทางบ้านค่ะพอดีคุณแม่เพิ่งเสียคุณพ่อเลยอยากทราบว่ากระดูกไม่เอาไปลอยอังคารแล้วแค่เอาฝังไว้ในสวนที่บ้านเหมาะสมไหมคะไมแล้วแต่เราทําอะไรกับมันก็ได้ทัุงอย่างมันเป็นแค่เป็นวัตถุทั้งนึง เ, เ, เป็นเหมือนเป็นเหมือนเศษขยาทําประโยชน์อะไรไม่ได้เอาไปฝังมาไปลอยอังคารอย่างกระดูกของ โยมแม่หลวงตามหาบูท่านก็เอาไปโรยใ ต, ใต้ต้นโพเอาไปเป็นปุ๋ยแต่บูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์เอาเอาเอาไปเป็นปุ๋ยโรยอยู่ใต้ต้นโพในวัดนะ่ยจบของท่านนี่ท่านเผาอยู่ในวัดเลยเช่นตายวันนี้ตายตายตอนเช้านี่ท่านจะให้เผาตอนบ่ายเลยญาติพี่น้องบอกขอลองขอเก็บไว้สักคืนหนึ่งจะได้ไปบอกญาติพี่น้องให้เขาได้รากถาวรเาจะได้มาร่วมร่วมงานด้วย อันก็เให้เก็บไว้คืนเองแต่ก็ไม่มีพิธีสวดอะไรนะไม่มีสวดและพิธามไม่มีไม่มีนมนพระมานั่งสวดอุปัฏฐาลาธรรมาอุปลฏฐาลาธรรมาเลยแต่ก็เปิดให้ผู้ที่อยากจะมาเคารมมากราบไหว้มาสแสดงความลําลึกถึงหรือา ม, มาสแสดงการอําลาดได้ศพก็ตั้งอยู่ที่บนสาราแล้วก็ก็ให้เขาเอาแปรงฟืนมากองไว้ที่หน้าหน้าสาราไม่มีเมรไม่มีอะไรเป็นกองฟืนกอง เอาไม้มาตัดเป็นฟืนทังไว้แล้วลุกขึนนน้นวันวันวันลุกขึ้นตอนบ่ายก็นิมนต์ผ้ามาชักผ้าบางสกุลท่านนี่บางสกุลทําบุญให้ผ้าให้พระได้มีผ้าเอาไปใช้ได้ผ้าบางสกุลเสร็จแล้วก็เผาเลยเผาเสร็จคืนนั้นก็เก็บกระดูกเก็บที่เท่าตอนเช้าก็เวลาเราออกมาจะไปบินตาบาดหาทุกอย่างหายไปหมดละ กองฟืนกองอะไรเป็นว่าส่วนเศษกระดูกเศษที่เท่าก็เอาไปโรยที่ใต้ต้นโพในวัดอันนี้คือการปฏิบัติของหลวงตาต่อศพของแม่ท่านมันเป็นสิ่งที่ไม่ไไมม่่มมมสําคัญอะไรซากศพสําคัญตอนที่ท่านอยู่มากกว่าตอนนี้ท่านอยู่ท่านใช้เวลาไปสั่งสอนโยมบนรดาอยู่ตลอดเวลาไม่มีอัดไม่มี ท, งทางให้มีอัดมีทางขึ้นมาอันนี้สําคัญกว่า สำคัญตอนอยู่ตอนตายแล้วจะไปทําอะไรกับร่างกายมันไม่ ม, มีไม่มีผลต่างอะไรมันไม่มีผลติดต่อผู้ตายไปไม่ได้ไปทําให้ดวงวิญญาณเขาสูงขึ้นหรือต่ําลงวงวิญญาณเขาจะสูงจะต่ําอยู่ที่บุญที่บาปที่เขาทาอยู่ที่ธรรมะที่เขามีหรือไม่มีอันนี้สำคัญที่เป็นตัวสําคัญท่านถึงให้ความสําคัญในขณะที่มีชีวิตอยู่เวลามีชีวิตอยู่ให้กุศลาคือให้กุศลให้ความรู้ เวลาตายแล้วอย่ามานั่งสวดกุศลาบ่กไม่เกิดประโยชน์คนตายไม่ได้รับอะไรจากการสวดคนเป็นก็ไม่ได้รับอะไรเพราะคุณเป็นไม่ได้มาฟังสวดงั้นสวดไปก็เลยเสียเวลาเระา่าๆก็เลยไม่มีพิธีการวดสวดกุศลาธรรมาในวันนี้แต่ให้มาเจริญมรณาอุสติให้มาเคารพสูตให้มาพิจารณาว่าสังขารร่างกายของเราไม่เที่ยงเหรอมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป การปล่อยวางสังขารได้เป็นบุญเป็นสุขอย่างยิ่งให้พิจารณาอย่างนี้อย่าไปยึดอย่าไปติดกับสังขารร่างกายที่เป็นของไม่เที่ยงมันจะต้องมีวันตายทั้งวันใดวันหนึ่งถ้าไปยึดไปติดก็จะทุกข์ทรมานใจถ้าปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปเวลาเวลามันตายใจก็จะสงบใจก็จะสบายเวลาอยู่ก็ไม่ทุกข์กับมันนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการมีคนตาย เราจะได้เป็นเจริญมานุสสติกันเขาก็เหมือนเราตอนนี้เขาเป็นอนาคตของเราเราเป็นอดีตของเขาอดีตเขาก็เป็นเหมือนเรามีลมหายใจเหมือนเราต่อไปอนาคตเขาเขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นอนาคตของเราต่อไปเราก็จะเป็นเหมือนเขาต่อไปเราก็จะไปนอนในโรงเหมือนเขาให้คิดอย่างนี้เราจะได้ไม่ประมาทได้รีบผลวายสร้างบุญสร้างกุศลในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ พอเวลาตายไปแล้วสร้างบุญสร้างกุศลไม่ได้ต้องสร้างในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เท่านีน้มีคำถามเพิ่มมาหรือยังยังไม่มีค่ะไม่มีน ะ, ะมีใครอยากจะถามอะไรไหมไม่มีก็จะได้ปล่อยให้กลับบ้านน ะ, ะ <c oughs> ก็คิดว่าขอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านตรงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินพิจรารณาไปปฏิบัติ เธอความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ